ผูด้ดำเนินรายการวชรินพันธชาทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เมคุณกำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากรู้ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันวัชรินคณชากลับมารับหน้าที่ในรายการเป็นเรื่องเป็นราวนะคะทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ18นาิก30นาทีถึงเวลา19นาฬิกาโดยประมาณนะคะทางขึ้น 89.5 ราชวิทยุราชมงคลนะคะเร่าให้ฟังสักนิดนึงว่าเป็นเรื่องเป็นราวดิฉันเองนั้นได้รับแรงบันดาลใจตรงที่ว่าอยากจะให้มีช่วงเวลาดีๆของวันนะคะที่ นำเรื่องที่น่ารู้น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่จะเริ่มต้นวันใหม่วันทำงานในเช้าวันจันทร์ด้วยกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งนะคะโดยช่วงแรกเนี่ยจะเป็นช่วงอยากเล่าเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะว่าเมืองไทยของเรามีคนเก่งมีคนดีมีงานดีๆมีงานวิจัยที่ดีๆอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเช่นเดียวกับเรื่องนี้ค่ะ เรื่องของประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นประธานคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งเพื่อที่จะผลักดันการแก้ปัญหาขยะนะคะเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้มีโอกาสไปเที่ยวเกาะแถวแถๆชนบุรีมีความรู้สึกว่าขยะเยอะมากขยะบนเกาะนะคะมันการบริหารจัดการขยะบนเกาะของบ้านเราเนี่ยมันยัง มันยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่าจิตสํานึกของคนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่เจ้าของเกาะเองนะคะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีเป็นที่คือเรียกว่าถ้าเกิดเรารักษาบ้านเราหรือจัดการบ้านเราให้สะอาดน่าอยู่นักท่องเที่ยวก็จะกลับมาและถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมามาด้วยจิตสํานึกที่อยากจะ คือไม่ทิ้งอะไรไว้ไม่เอาอะไรไปนะคะก็จะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นยังอยู่กับเราอยู่นะคะเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวดีๆที่ธนาคารโลก World Bank นะคะเขาได้ให้งบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยเรื่องขยะทะเลภายใต้ปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยเรื่องการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียนนะคะโดยมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่30เอ่อ ในวันสุดท้ายเนี่ยมีการประชุมมีมติรับรองการเป็นประธานคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งนะคะหรือว่า AWGCME นะคะของประเทศไทยต่อจากฟิลิปปินส์ซึ่งจะมีระยะเวลาการทำงานในตำแหน่งเนี่ยปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,563 จนถึงปี 2,565 นะคะโดยคณะคณะทำงานชุดนี้เนี่ยจะเป็น1ใน2คณะ จากคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม7คณะที่กำลังมีบทบาทเป็ น, นกลไกขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะทะเลในภูมิภาคนะคะหลังจากที่ประเทศไทยได้เสนอปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียนหรือว่า bangkok d e c r a t i o n declaration on combating marine debris in asean region นะะซึ่งเป็นการแสดงเจตน า, ตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะบริหารจัดการ แก้ปัญหาขยะในภูมิภาคแล้วก็มีกรอบปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะนะคะหรือว่าอาเซียนเฟรมเวิร์ a ออฟแอคชั่นออนมารินดบริสนะค ะ, ะ, คะเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันทั้งด้านนโยบายการบริหารที่จะช่วยกัรลดปริมาณขยะทะเลในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเลนะคะหรือว่าสเปเชียลอาเซียนมินิสเตอรี Meeting on Marine Debris นะคะใ น, ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยเอกสารทั้งสองฉบับเนี่ยได้รับการรับรองและก็รับทราบในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ผ่านมาแล้วนะคะซึ่งเวียดนามก็จะเป็นประธานอาเซียนต่อจากประเทศไทยในปีข้างหน้าก็รับปากว่าจะขับเคลื่อนงานด้านนี้ต่อในขณะเดียวกันธนาคารโลกก็ยังได้มอบงบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเลภายใต้ปฏิญญากรุงเทพ ในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยกลายเป็นประเด็นเร่งด่วนระดับโลกเมื่อมีการประเมินจากองค์การนานาชาติที่จับตาเรื่องขยะในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะโดยในปี2558องค์กรอนุรักษ์ทางทะเลองค์กรอนุรักษ์ท้องทะเลนะคะก็ มีได้เผยแพร่รายงาน Steaming the Tide Th นะคะ Land Based Strategy of a Plastic Free Ocean ที่ได้จัดทำร่วมกับ Mackenzie Center for Business and Environment นะคะระบุว่าทุกปีจะมีขยะพลาสติกประมาณ8ล้านเมตริกตันล่วไหลลงสู่ท้องทะเลทั่วโลกแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มากกว่าครึ่งหนึ่งของขยะพลาสติกที่ล่วไหลลงสู่ทะเลเนี่ยมาจาก5ประเทศหลักๆค่ะ ก็คือจีนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็ประเทศไทยซึ่งในรายงานชิ้นนี้เนี่ยก็ได้แนะนำให้มีการทำงานประสานความร่วมมือในกลุ่มประเทศเหล่านี้ในระดับภูมิภาคนอกจากนี้เนี่ยในที่ประชุมก็ยังเห็นชอบกับข้อเสนอเรื่องโครงการจัดจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมอาเซียนฉบับที่6นะคะซึ่งข้อเสนอการจัดทารายงานสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงเห็นชอบ ต่อแนวคิดการพัฒนาอาเซียนด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะโดยคำนึงถึงการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเองต้องตระหนักรู้แล้วก็ตระหนักร่วมกันเริ่มต้นจากเราก่อนว่าเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเราไม่ทิ้งอะไรไว้เลยอะไรที่มันไม่ไม่ควรจะอยู่พลาสติกหรือขวดพลาสติกขวดแก้วถุงขยะหรืออะไรต่าง คือขอให้มันอยู่ในที่ทางของมันที่ควรจะอยู่อยู่ในทางขยะหรืออยู่ในที่ที่ควรทิ้งนะคะเพื่อที่การจัดเก็บหรือการบริหารจัดการเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากกว่านะคะเริ่มต้นที่ตัวเราเริ่มต้นที่เยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานะคะตรงนี้จิตสานึกนี้ก็จะทำให้เราเองนั้นอยู่ในโลกที่ปลอดภัย ปลอดภัยจากอะไรปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็น ม, ล, มลภาวะนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในในบ้านเรานะคะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งค่ะกลับมาในช่วงหน้าในช่วงของอยากรู้เป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นกันแต่เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นพักครู่เดียวค่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University. การต่อสู้ให้เรียนรู้ใใจตั้งมัน่นเส้นทางไกลแค่นในช่างมันคนช่งฝันเท่านั้นทำได้ฉันคือหนึ่งคนที่ทนฝันฝ่าลังศรัทธาคือสิ่งดีได้มาเท่า ฟังคำคนอย่าสนใจใครเหลืเป็นแนวคนแนวแนวเท่า น, นั้นผู้ชนะหากเป็นฮะคุณบาดทารทรอย่าไปห่มให้จงผ่อ น, ในใคลายคอยคือคิดสบายสบายปล่อยมันไปตามเรื่องสักวันเพราะชีวิตคือการต่อสู้ เปนทางไกลขนในฉันมันคนช่งฝันเท่านั้นทำได้ฉันคือหนึ่งคนที่ทนฝันฝ่าลัทธัทธาคือสิ่งดีได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกทีเต็มใจ สังคน อ, อย่าสนใจใครอย่าพิณ คุณกำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากเล่ากลับก็สูตรเป็นเรื่องเป็นราวในช่วงอยากรู้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆอย่างที่พูดค้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นตัวอย่างากรณีศึกษาหรือว่าตัวอย่างความเอาจริงเอาจังของประเทศญี่ปุ่นในการที่จะลดละเลิกการาการทิ้งขยะลดปริมาณพลาสติกลงจาการะบบการบริโภคในบ้านเขานะคะด้วยกลยุทธ์ 3R เล่าให้ฟังนิดนึงว่ากลยุทธ์ 3R ที่เราเองนั้นเคยได้ยิน reduce reuse recycle เนี่ยญี่ปุ่นเป็นผู้จุดประกายในเรื่องนี้ครั้งแรกนะคะโดยปัญหาขยะพลาสติกของญี่ปุ่นเนี่ยดูจะเป็นปัญหามากกว่าในหลายๆภูมิภาคทั่วโลกนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาละเมียดละไมละเอียดละออในการที่จะ อย่างไปญี่ปุ่นเนี่ยบรรจุภันณุ์ของเขาก็จะแบบพิถีพิถันซื้อสตรอเบอรี่สักแพ็คหนึ่งก็จะเป็นแพ็คที่แบบดูดีอยู่ในกล่องยางดีนะคะแต่ความสวยงามนั้นก็มาด้วยบรรจุภันณฑ์ที่เป็นขยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วเขาตระหนักว่าถ้าเกิด เ, เขามีมีความพิถีพิถันในเรื่องนี้แล้วเขาก็จะต้องละเอียดละออในการที่จะกําจัด ขยะออกไปจากระบบการบริโภคในบ้านเขาญี่ปุ่นจึงจุดประกายในเรื่องของ3 R กลยุทธามอเนี่ย reduce reuse แล้วก็ recycle ครั้งแรกนะคะเมือ่อมีการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ G 8ที่ C I C I land รั o r ซียของสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนปี2547นี่ก็ผ่านมา เกือบเกืบ20ปีแล้วนะคะโดยนายกรยัฐมนตรีจุนอิจิโร่โคอิซุมินะคะได้นำเสนอโครงการริเริ่ม 3R ตั้งเป้าที่จะสร้างสังคมใช้วัตถุหมุนเวียนอย่างเป็นวงจรผ่านกระบวนการ 3R ที่ว่านะคะก็คือการลดใช้ใช้ซ้แล้วก็รีไซเคิลเพื่อที่บรรดาผู้นำต่างๆที่มาร่วมประชุม G8 ในครั้งนั้นก็เห็นชอบด้วย <c oughs> แล้วก็ญี่ปุ่นก็เลยเปิดตัวโครงการริเริ่ม 3R ขึ้นที่ กรุงโตเกียวตั้งแต่ปี2548คือประกาศเมื่อปี47ในการประชุมกลุ่มประเทศ G8 ปี48เขาทำเลยนะคะผ่านไป10กว่าปีตอนนี้ขั้นตอนของ3 r ไปถึงไหนอย่างไรแล้วออญี่ปุ่นเขาก็เชิญสื่อมวลชนจากเจประเทศนะคะไปเยี่ยมชมดูโครงการ3 r ที่เขาได้ไปปรับใช้แล้วก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี48ที่กรุงโตเกียวก็ เชิญสื่อมวลชนจาก7ประเทศก็คือมีไทยอินโดนีเซียเวียดนามจีนอินเดียฝรั่งเศสและก็สเปนไปดูงานการจัดการขยะในโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนปถมนะคะโรงเรียนปฐมโอดะเมืองคาวาสกิว่าการจัดการขยะถือเป็นจุดเริ่มต้นของสามอาเริ่มที่โรงเรียนเลยนะคะโรงเรียนปถมนะคะโดยก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ย สื่อมวลชนก็จะได้รับแจกคู่มือการจัดการขยะของเมืองคาวาสกิซึ่งตีพิมพ์เป็นหลายภาษาเลยค่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษาจีนภาษาตะกัล็อกภาษาสเปนภาษาโปรตุเกสภาษาภาษาเวียดนามนะคะซึ่งเป็นสะท้อนถึงความพยายามที่เขาเองนั้นอยากจะสื่อสารกระบวนการการคัดแยกขยะการจัดการขยะที่ต้องตรงกันระหว่างคนท้องถิ่นกับชาวต่างชาตินะคะที่อยู่อาศัยในชุมชน ต, ต้องยอมรับค่ะว่าพื้นที่ของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพื้นที่เปิดที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยเข้าไปปีหนึ่ง หลายหลายสิบล้านคนหลายร้อยล้านล้านคนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเที่ยวได้ตลอดทั้งปีในแต่ละภูมิภาคก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาไม่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารในเรื่องของการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องถูกวิธีเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เขาเองไม่ใช่แค่เริ่มจากชุมชนของเขาแต่เขาต้องเริ่มกับนักท่องเที่ยวด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวเหล่านี้ถ้าขาดความเข้าใจเขาก็จะคัดแยกขยะไม่ถูกต้องนะคะ โดยมีการกำหนดกติกาการคัดแยกขยะเอาไว้ในคู่มืออันนี้เนี่ยอย่างละเอียดค่ะอย่างเช่นขยะรีไซเคิลจำพวกกระป๋องขวดเพชรขวดแก้วแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยจะมีการเก็บสัปดาห์ละครั้งนะคะโดยชาวบ้านเนี่ยจะต้องนำขยะเหล่านี้ไปวางไว้ในจุดรับภายในเวลา8นาฬิกาของวันนะคะของมันมันมีการกำหนดวันที่เก็บนะคะเช่นวันจันทร์จะเก็บขยะสมมติขยะสดวันอังคารจะเก็บขยะ อันตรายอย่างนี้ยกยกตัวอย่างนะคะโดยมีการกําหนดวันและเวลาที่ชัดเจนเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีการประชาพันธ์อย่างทั่วถึงด้วยให้ประชาชนเนี่ยนำขยะมาทิ้งให้ถูกที่ถูกเวลานะคะนอกจากนี้ยังมีการกําหนดรายละเอียดลงไปด้วยว่ากระป๋องขวดหรือว่าผดเพชรเหล่านี้เนี่ยต้องไม่มีก้นบุหรีหรือขยะที่ทิ้งเอาไว้ภายในขวดเพราะว่าจะเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการรีไซเคิลต้องเทน้ําแยกฝาแกะฉลากออกให้หมด นะคะเว้นแต่ว่าจะแกะยากจริงๆกระป๋องแล้วก็ขวดแพทเนี่ยก็ให้ใส่ถุงใสหรือกึ่งใสก่อนทิ้งขวดแก้วทิ้งในกล่องเฉพาะนะคะส่วนแบตเตอรี่ให้ใส่ถุงใสนำไปทิ้งในจุดรับขยะรีไซเคิลนะคะเพื่อที่จะเป็นการคัดแยกขยะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมบางทีเนี่ยเราคัดแยกขยะตตั้งแต่บ้านแล้วแต่ปรากฏว่าพอรถขยะเรามาบ้านอันนี้พูดถึงบ้านเรานะพอรถขยะเรามาปุ๊บ ทุกอย่างมันก็ไปรวมกันอยู่ในรถขยะนั่นหมายความว่าแม้เราจะแยกขยะของเราแล้วแต่ที่สุดแล้วเราก็ขยะเราก็จะไปถูกวมกันในรถขยะอีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นในความเห็นของดิฉันแล้วเรื่องนี้มันต้องทำกันเป็นแบบบุรณาการร่วมกันเลยในหน่วยงานที่จะต้องมีหน้าที่ในการเก็บขยะก็จะต้อง นัดกันแบบนี้ค่ะต้องนัดกันเป็นวันว่าวันนี้จะเก็บเฉพาะขยะแบบนี้วันรุ่งนี้จะเป็นขยะอีกแบบหนึ่งเพื่อที่ขยะต่างๆมันจะไม่ไปรวมกันเหมือนกับที่เราทิ้งที่บ้านนะคะเพราะว่าจริงๆเรา แ, รแยกแยกจากที่บ้านแล้วแต่ที่หยุดที่สุดแล้วก็ไปรวมกันอยู่ในรถขยะแล้วนะคะเรื่องนี้กลับมาที่ญี่ปุ่นค่ะเรื่องนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาทาจริงจังลงไปอีกตรงที่ว่ามีการสื่อสารให้ความรู้ทําเป็นคู่มือแล้วเนี่ยเขายังทําเป็นหลักสูตรด้วย นะคะทเป็นหลักสูตรบรรจุไว้ในวิชาเรียนเลยเพื่อสร้างความเข้าใจปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กๆนะคะทาเป็นหลักสูตรในโรงเรียนประถมโดยกำหนดให้มีการจัดการขยะอยู่ในวิชาสังคมศึกษาให้กับนักเรียนเกรด 6. เรียนวิชาทั่วไปหนึ่งในนั้นก็คือวิชาสิ่งแวดล้อมนะคะโดยในวันนั้นเนี่ยคณะสื่อมวลชนก็ไปเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นวันที่เทศบาลคาวาสกิเนี่ยนรถขยะมาสาธิต เรื่องกระบวนการคัดแยกขยะพอดีให้กับนักเรียนเกรดสี่ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากของจริงก็คือให้นักเรียนเนี่ยได้นำขยะที่ตัวเองจะไปทิ้งเนี่ยไปทิ้งกับรถที่เขามาสาธิตพอดีนะคะทางการ k a วา s a k เนี่ยก็จะนำรถขยะรีไซเคิลเนี่ยขยะสาธิตเนี่ยนะคะไปทุกๆโรงเรียนปีละหนึ่งครั้ง เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในทุกขั้นตอนค่ะซึ่งเด็กๆ ก, ก็ให้ความร่วมมืออย่างสนุกสนานเพราะว่าที่บ้านเขาก็ทํากันแบบนี้หมายความว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้รับการสื่อสารในเรื่องของการคัดแยกขยะแล้วก็มีวันเวลายอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังเนี่ยแหละค่ะเขาก็ให้ความร่วมมือแล้วก็เริ่มต้นให้ทายชื่อรถแล้วก็ศักยภาพของรถบรรทุกข อ, ของรถของการบรรทุกของรถเก็บขยะทั้งสองคันเด็กๆก็แย่นกันตอบค่ะเพราะว่า ก่อนจะได้รับการเฉลยนะคะว่ารถขยะสองคันนี้มีชื่อว่ารถแ d Packer กับ s k e l เล o n นะคะมีศักยภาพในการบรรทุกที่ 2,400 กิโลก ร, รัมกับ 2,000 กิโลก ร, รมัมจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะมอบหมายให้เด็กๆเนี่ยไปทิ้งขยะกับรถนะคะเมื่อเด็กๆนำขยะไปทิ้งกับรถที่เจ้าหน้าที่สาธิตขั้นตอนการทำงานของรถเก็บขยะแล้วเนี่ย รวมถึงเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งข้อควรระวังในการใช้งานและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเน้นย้าให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้รถอย่างเคร่งครัดสะท้อนถึงสังคมญี่ปุ่นที่เขามีวินยัยมีระเบียบปฏิบัติมีกฎระเบียบที่ชัดเจนนะคะโดยเคล็ดลับสำคัญที่ผู้สื่อข่าวเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือเคล็ดลับสาคัญก็คือ เจ้าหน้าที่เนี่ยปล่อยให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวแสดงความรู้สึกตั้งตั้งคำถามได้อย่างอิสระเพราะว่าคําถามเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เขาเองนั้นจะเอาไปต่อยอดเอาไปอาตอบตัวเองได้ว่าทําไมเขาต้องทําแบบนี้ทําไมเขาต้องมาแยกขยะเป็นเพราะอะไรเขาจะได้ประโยชน์อะไรแล้วก็เขาจะได้ประโยชน์สูงสุดอย่างไรและเขาสามารถที่จะไปถ่ายทอดต่อได้อย่างชัดเจนและถูกต้องอยังไงนะคะโดยทางผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักสิ่งแวดล้อมของเทศบาลคาวาสกิเนี่ยนายมาสุดาเนี่ยก็บอกว่าตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาเทศบาลก็ได้นำรถขยะไปสาธิตให้กับนักเรียนปีละ110ครั้งที่เมืองคาวาสกิเนี่ยมีโรงเรียนประถมประมาณ130โรงนะคะในจำนวนนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนรัฐบาล113โรงเจ้าหน้าที่ผู้สาธิตมาจาก แผนกสิ่งแวดล้อมเทศบาลซึ่งดูแลการเก็บขยะแต่การรีไซเคิล น, นั้นเป็นหน้าที่ของบริษัทเอกชนจาเป็นผู้มารับช่วงต่อนะคะเพราะว่าเขาเองก็จะมีวิธีการมีกระบวนการที่ชัดเจนแล้วก็สามารถไปบริหารจัดการได้ เ, เรียกว่าเชี่ยวชาญกว่านั่นเองนะคะเสร็จจากการชมรถขยะแล้วก็มาถึงกิจกรรมสาธิตการแยกขยะโดยแยกเด็กออกเป็น6กลุ่มนะคะโดยได้รับโจทย์ให้นาขยะสารพัดต่างๆที่มีเนี่ยที่ ที่อยู่ในตะกร้านะคะมีทั้งบรรจุภันฑ์พลาสติกขวดเครื่องดื่มวัสดุรีไซเคิลหนังสือพิมพ์กระดาษลังนิตยสารกระดาษรวมถึงโลหะขนาดเล็กเนี่ยกิจกรรมนี้ก็จะสร้างให้เด็กได้สามารถคัดแยกขยะได้ตามความเข้าใจของตัวเองก่อนนะคะเด็กก็เริ่มงงกันแล้วว่าเอ๊ทิ้งผิดทิ้งถูกกันเช่นตะกร้าขวด รับเฉพาะขวดเครื่องดื่มถ้าเป็นขวดเครื่องสำอางล่ะต้องทิ้งอีกตะการหนึ่งไหมพราะใช้กระบวนการคัดแยกที่แตกต่างกันนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์ก็คือเด็กก็จะแยก แล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าอ๋อขยะแบบนี้อยู่ในประเภทนี้อยู่ในหมู่นี้นะคะเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็เข้าใจถึงกระบวนการสำคัญของกระบวนการ 3R ว่าขยะแบบนี้สามารถนำมา reuse ได้ขยะแบบนี้นำมา recycle ได้นะคะโดยไฮไลท์ของมื อ, อของวันนั้นเนี่ยนะคะก็คือสื่อมวลชนเนี่ยก็จะทานข้าวร่วมกับเด็กๆในโรงเรียนด้วยไฮยไลท์ของมือก็คือ หลังจากทานข้าวก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องมาจัดการขยะสดซึ่งเป็นขยะที่เกิดจากการทานข้าวมื้อนั้นเด็กๆต้องทิ้งเศษอาหารแยกจานแยกช้อนแยกซ่อมแก้วน้ำให้ถูกหมวดหมู่นะคะเห็นได้ชัดว่าทุกคนมีความชำนิชำนาญเพราะว่าถูกฝึกตั้งแต่บ้านมาที่โรงเรียนอีกนะคะวันนั้นสื่อมวลชนที่ไปก็เห็นเห็น รูปธรรม ท, ที่เกิดขึ้นว่าญี่ปุ่นหลังจากที่ประกาศในเรื่องของกลยุทธ์3 r เมื่อปี47แล้ววันนี้ผ่านมา10กว่าปีเกือบ20ปีนะคะวันนี้เป็นจริงเป็นจังในกลุ่มเด็กโรงเรียนปฐมที่โตเกียวเมืองคาวาสากิตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเองดูควรดูเป็นเยี่ยงควรเอาเป็นอย่างนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญและเป็นไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราอีกต่อไปแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่หยิบเอามาฝากกันนะคะสําหรับวันนี้ หมดเวลาค่ะท่านผู้ฟังอยากจะฝากเรื่องเล่าฝากเรื่องที่อยากรู้ฝากไว้ได้ที่เพจเล่าเป็นเรื่องนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันวัชรินคันธชาลาไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเป็นเรื่องเป็นราวได้ทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬินาทีทาง FM ปเมรรับฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์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 สิริคิตรฟาสุดแดนแผ่นดินนี้พระคันธีรลวมมิ่งควันไทยใต้ฝ่าละองของไทยบูชาใต้ลมบนยาพร้อมเพลียงพุงใจจุดเขียนแสสงทรงเมืองสว่างสวย Thai, Thai, Thai, pray for. s o Thai, Thai, t h a t h t h h